ด้วยรักบรรดา น, นิทานสีขาวเรื่องแม่ไปไหนวายุเป็นเด็กชายวัยสิบสาปีเขาอยู่กับแม่สองคนที่บ้านเล็กในป่าใหญ่ทุกวันวายุจะต้องตื่นแต่เช้ามืดเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนในเมืองแต่แม่ของเขาจะต้องตื่นเช้ากว่าเพื่อทําอาหารใส่ปินโนให้วายุนําไปรับประทานในมื้อกลางวัน วันหนึ่งวายุกลับมาที่บ้านเขาหิวมากและร้องเรียกแม่แม่จ๋าแม่แม่แม่อยู่ไหนลูกหิวจังเลยจ้ะแม่แต่แม่ของวายุไม่ได้ออกมารับลูกเหมือนเช่นทุกวันวายุรู้สึกผิดสังเกตปกติแม่จะต้องวิ่งออกมาหอมแก้มเขาทุกครั้งเมื่อเขากลับถึงบ้านแม่แม่อยู่ไหนจ้ะแม่วายุร้องเรียกแม่ลั่นบ้าน เขาเข้าไปในห้องนอนของแม่แม่ไม่ได้นอนอยู่ที่นั่นเข้าไปในห้องครัวแม่ไม่ได้ทำอาหารอยู่ในนั้นเข้าไปดูในห้องน้ำแม่ก็ไม่อยู่เดินออกไปหลังบ้านก็ไม่เห็นแม่วายุชักร้อนใจแม่หายไปไหนปกติแม่จะไม่ออกไปไหนเลยถ้าไม่มีเขาไปด้วยแล้วนี่แม่หายไปไหนทำไมไม่บอกเขาไว้ก่อนในที่สุดด้วยความร้อนใจ วายุไม่อาจทนรอแม่อยู่ที่บ้านได้อีกแล้วเขาวิ่งเข้าไปหาแม่ในป่ามุ่งตรงไปยังลำธารเผื่อว่าแม่อาจจะไปตักน้ำที่นั่นก็ได้แม่แม่อยู่ไหนแม่ตอบรับลูกด้วยสิแม่วายุร้องเรียกหาแม่ด้วยเสียงอันดังแต่แม่ก็ไม่ตอบกลับมาเขาเริ่มเสียใจและพันสายตาของวายุก็ไปสะดุดเข้ากับของสิ่งหนึ่งซึ่งติดอยู่ตรงซอกหิน วายุรีบวิ่งไปหยิบของสิ่งนั้นขึ้นมาดูเป็นผ้าสีฟ้าผืนบางๆซึ่งทำให้เด็กชายใจหายวูบทันทีที่ได้เห็นผ้าคุ้มไหลของแม่เขาร้องเสียงแหบแห้งและมองตรงไปยังสุดลำธารน้ำตกหรือว่าแม่จะพัดตกน้ำและมีอันเป็นไปเสียแล้วเมื่อคิดดังนี้วายุก็แทบยืนต่อไปไม่ไหว เขาเดินโซเซกลับบ้านและสวดมนต์ภาวนาขอให้แม่อยู่รอดปลอดภัยในใจก็หวังว่าบางทีพรุ่งนี้แม่อาจกลับมาก็ได้คืนนั้นวายุนั่งร้องไห้คิดถึงแม่ตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ก็ยังไม่กลับมาวายุเริ่มหมดความหวังจากความเสียใจกับกลายเป็นความโกรธจากคำคร่ำครวญหวนให้กลายเป็นคาตัดพอต่อว่า ทำไมแม่ทำอย่างนี้ทำไมแม่ทิ้งลูกไว้ให้อยู่คนเดียวลูกหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยนั่งร้องไห้มาทั้งคืนให้แม่ที่ไม่รู้ว่าหนีไปอยู่ที่ไหนแม่เป็นแม่ที่ไม่ดีเอาซะเลยวายุกล่าวคำตัดพาอต่อว่าแม่และนั่งร้องไห้เป็นวักเป็นเวรจนกระทั่งผอยหลับคาโต๊ะไปในที่สุดแล้วจูจ่ๆวายุก็ได้ยินเสียงของแม่ร้องเรียกว่าวายุตื่นเถอะลูก วายุแม่มาแล้วไม่เพียงเท่านั้นวายุยังรู้สึกเหมือนแม่เอามือมาแตะหน้าผากของเขาด้วยมือของแม่ทั้งนุ่มและเย็นสบายเป็นที่สุดแต่เขาคิดว่าทั้งหมดนี้คงเป็นแค่ความฝันเท่านั้นอย่างไรก็ตามในที่สุดวายุก็ค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นมาและเขาก็เห็นแม่อยู่อยู่ตรงหน้าจริงๆแม้วายุตะโกนเรียกแม่ดังลั่น พร้อมทั้งกระโดดกอดแม่ด้วยความดีใจนี่แม่ของลูกจริงๆใช่ไหมแม่จริงๆไม่ใช่แม่ในความฝันใช่ไหมแม่ของวายุก้มลงหอมแก้มลูกชายพร้อมกับพูดว่าแม่คือแม่ของลูกจริงๆลูกไม่ได้ฝันไปหรอกดาวายุกอดแม่แน่นเข้าอ ลูกนึกว่าแม่ทิ้งลูกไปแล้วแม่รู้ไหมลูกนั่งร้องไห้คิดถึงแม่ทั้งคืนลูกไปเจอผ้าคลุมไหล่ของแม่ตกอยู่ที่ลำธารลูกคิดว่าแม่ตากลูกไปซะแล้วแม่ขอโทษด้วยที่ทำให้ลูกเสียขวัญแต่แม่ก็กลับมาหาลูกแล้วยังไงล่ะแม่รักลูกแม่ไม่ทิ้งลูกไปไหนหรอกจ้าแล้วแม่หายไปไหนมาทั้งคืน เมื่อวานมีสามีคนหนึ่งพาภรรยาท้องแก่เข้ามาเที่ยวในป่าใกล้ๆกับบ้านของเราแล้วจู่ๆภรรยาของเขาก็ปวดท้องจะคลอดลูกเขาเห็นบ้านเราจึงวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากแม่แม่จึงพาเขาไปบ้านหมอตำยที่อยู่หลังน้ำตกโน่นระหว่างทางที่ข้ามลำธารไปผ้าคุมไหลแม่ก็ตกลงไปในน้ำแม่คิดว่าจะกลับมาเก็บตอนขากลับนะจ่ะ แต่การทำคลอดน่ะใช้เวลานานกว่าที่คิดไว้แม่ต้องอยู่ช่วยเขาก็เลยไม่ได้ไปเก็บผ้าผืนนั้นแล้วก็ยังกลับบ้านมาหาลูกช้าอีกด้วยวายุฟังแม่พูดแล้วก็รู้สึกผิดบาปที่ตนเองได้กล่าวหาว่าแม่ทอดทิ้งไปอีกทั้งยังคิดถึงแม่ในทางที่ไม่ดีทั้งทังที่แม่เป็นคนดีมีน้ำใจมาก แม่ช่วยให้ชีวิตใหม่อีกชีวิตหนึ่งเกิดมาอย่างปลอดภัยวายุ ก, กอดแม่ไว้ด้วยความรักเขาภูมิใจในตัวแม่เธอทั้งหลายคนเป็นลูกนั้นมักเกิดมาด้วยความรู้สึกว่าตนเองต้องได้จากผู้เป็นแม่อยู่ตลอดเวลาเพราะแม่เสียสละทุกอย่างให้เรามาตั้งแต่เด็กเราจึงรู้ว่าแม่รักเรามากและเพราะอย่างนั้นหลายๆครั้งเราจึงได้เผลอตัว ทำตัวไม่น่ารักออกไปแต่ก็เป็นเรื่องแปลกไม่ว่าเราจะทำตัวแย่แค่ไหนแม่ก็ยังรักเราอยู่ดีดังนั้นขอให้ทุกคนทำตัวดีเพื่อแม่รักแม่ก็จงเป็นเด็กดีมากๆ